เจ้าชาวอย่างนี้ก็ให้พระภิสุสมัมเณรรวมทั้งแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาฝากไฟดีมาละความชั่วมาประกอบกัมดี เ, เจ้าชาวอย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงตั้งสติบาเพ็ญเพียรในสิ่งที่จะเกิดในสิ่งที่จะดับในสิ่งที่เป็นล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนที่สุดก็คือความตาย สิ่งใดที่จะอยู่อย่างได้ท้าวรนก็คือความดีสิ่งใดที่เกิดเหนือกว่าความดีก็คือปัญญาปัญญาอัน บ, นบริสุทธิ์ที่คนเท่านั้นที่สามารถที่จะได้ควบคมุมสติควบคุมในการเกิดของเรา เป็นบ่อเหตุที่ทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ความสุขความมัวหมองความเศร้าหมองในใจขณะนี้ให้ท่านนั้นมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทาอะไรอยูห่หายใจเข้าลึ ก, ลก ยิ้มเขว้ค่อยๆ ค, คลายลมหายใจออกให้ท้องเราเนี่ยแห้งเลยแล้วก็ค่อยๆหายใจให้เป็นปกติยาวๆลึกๆ ล, ลงไปแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายหายใจออกให้ท้องมันแห้งแล้วก็ยิ้มเขว้ ในขณะที่เราหายใจเข้าเราก็พิจารณาเป็นสมถะแล้วก็เข้าสมถะเลยในขณะที่หายใจออกเราก็มีวิปัสนาตามมาเลยว่าเราต้องใช้สติปัญญาพินตพิจารณามองเห็นจิตใต้สำนึก ใช้นึกความเป็นมโนภาพนึกในขณะที่มีปัญญาผู้มีปัญญานึกในขณะหายใจเข้าออกนั้นมันจะได้มีกำลิกำไรในชีวิตบางไม่ใจหายใจเข้าออกโดยที่มีดุสติ ไม่รู้ตัวรู้ตนก็เรียกว่าคนมีกลจริตเหมือนเราได้สูบน้ำเอาไปทิ้งเฉยเหมือนเราได้ทานข้าวทานปลาเพื่อให้มีความอิ่มมีพีมันโดยที่ไม่ไปทำประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเราก็ได้ฝึก มาได้หลายลาตีแล้วคงจะเข้าถึงลึกซึ้งในสัจจะคือความจริงทมก็คือธรรมชาติธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั้นยอมปรารถนาความสุขยอมปรารถนาความสมหวังไม่ปรารถนาความทุกข์ แล้วก็ไม่ปรารถนาความผิดหวังฉันได้ก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามัวปฏิบัติด้วยความสนุกสนานอย่ามัวมาปฏิบัติโดยเป็นกิเลสแฝงอยู่ในจิตใต้สำนึก นึกราใดก็ให้เป็นกุศลได้ยินเสียงใดๆก็ให้เป็นกุศลอย่าได้ยินเสียงใดๆทำให้เราขุ่นค้องหมองใจเลยอย่าได้นึกสิ่งใดๆที่ทำให้ทรมานใจอึดอัดใจไม่สบายใจลังเลใจ หลวงพ่อได้การบำเพ็ญหลวงพ่อได้เไปเปียนพยายามพยายามหาเหตุหาผลที่มาสอดแทรกการฝึกสติและปัญญาของท่านทั้งหลายจนเสียงแหบเสียงแหงหมดแล้วพยายามหาเครื่องอุปโภคบริโภค มาสนองนโะยบายด้วยความอยากของท่านทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายได้วิเคราะห์พิจารณาโดยเหตุและผลอันบริสุทธิ์ที่คนก็คือปัญญาเราน่าจะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดปราศจากความมอมหมองได้แล้ว นี่ก็เป็นลาตีที่แปดแล้ว้านับคนจริงๆก็คือลาตีสุดท้ายแต่หลวงพ่อนั้นก็มีเมตตามีความกรุณาพวกเราอย่างมากได้เสียสละเวลาส่วนตัวอันมีค่าที่ตัวเองก็จะได้บําเพ็ญเพียรภาวนาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย พ่อได้เสียสละที่การบาเพ็ญเพียรก็ต้องใช้สติปัญญาหาเหตุหาผลเอามาขัดเกลวสภาวะที่เป็นสันดานที่เป็นอากุศลเขาเรียกว่าอากุศลละมูลมลก็คือมูลเหตุ แห่งความเจ็บหายก็คือความโง่เขามูญเหตุแห่งความจะเลี้ยวฉะหลานก็คือสติผู้มีสติอย่างโลกประเมินประมาณการเวลาก็ได้สอนมาหลายลาตีเมื่อเรามีเหตุมีผลแล้วเจ้าเ้าอย่างนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าสู่สติกันเป็นบนกุศลได้แล้วตัดสภ า, าวะง่วงเางาเมานอนออกตัดความเมื่อยปวดความติถิมานะวิกิจจิตชาความความที่เป็น กิเลสที่เอื้อไม่เ อ, อื้อเฟือต่อสติปัญญาตัดความลังเลสงสัยได้แล้วเมื่อเรามีสติปัญญารวบรวมมาถึงขนาดนี้แล้วก็<อ>เข้าไปในสมาธิให้มันลึกดิ่งลงไปมองใจของเราไว้ยิ้มเข้าไว้ มองเห็นกายก็เป็นความผ่องใสหยึดมันถืือมันก็ไม่ได้มองเห็นกายก็มองด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาเมื่อจะคิดนึกปรุงแต่งใดๆก็ให้เป็นกุศลอย่าให้อกุศลและมลทั้งหลายมาครอบงำในการคิดปรุงแต่งของเรา เมื่อเราพิจารณารึกดิ่งเข้าไปโอ้เนอเราได้รู้จักผิดตกชั่วดีได้มาระความชั่วเนี่ยมาประกอบก ร, รมดีเนี่ยภายในเจ็ดแปดวันเราบวกหรือลบเนอมองระสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป อย่าเอามาเก็บกักไว้ไว้ในใจเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อเราเดินแล้วเราก็แวดระวังไม่ว่าจะฝากน้ำหนทางจะโครเขี้ยวเพียงไรเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปคาว่าเดินหน้าก็คือการเวลา การเวลานั้นมันไม่คอยท่าคอยทีมันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปเปรียบเสมือนลมหายใจเรานั้นแผ่วไปเลยแผ่วไปเรือน้อยไปทุกทีมันเรือน้อยเข้าไปทุกทีเราไม่สามารถที่ล่วงรู้เลยว่า เรากําลังหมดเวลาไปทุกทีลมหายใจเราก็เรือน้อยลงไปทุกทีเส้นผมเราก็หลุดร่วงลงไปก็เรือน้อยไปทุกทีหูตาเราก็มองใกล้เข้าไปทุกทีเหมือนคนที่มีอายุไขที่มีอายุมาก ก็จะร่วงรู้การเวลาว่าโอ้โ oh น no ้วันเวลาของเรานี่ทําไมมันไวเหลือเกินส่วนเด็กน้อยที่มันกําลังจเจริญเติบโตวันเวลาทําไมมันช้าเหลือเกินทําไมเราไม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้ ร, รูปหลอรูปงามจะได้มีผัวมีเมีย จะได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ไม่รู้เวลาอยู่อย่างความประมาทแล่นลดไปกับกิเลสทั้งหลายแสงสีต่างๆ น, นานาปรุงแต่งคิดไปต่างๆ น, นานาอยากรู้อยากเห็นสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่เราปัฒนาและต้องการไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ชั่วรู้นียิ่งตกไปในยิ่งตกไปอยู่ในอวัยภูมิก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้พ่อรู้แม่ไม่รู้พี่รู้น้องไม่รู้จักการเวลาที่มันหมดไป ไม่รู้ผิดถูกช่วงนี้บวกลบ ก, กูนานแล้วเสียเวลาไปเปล่าๆคนหนุ่มคนสาวความคิดก็แตกต่างกับคนที่มีอายุไขคนที่มีอายุก็เริ่มมองเห็นว่าโอ้โหนความเสื่อมของร่างกายก็เกิดขึ้น ค่อยๆพิจารณาไปเข้าสู่สภาวะสมถะหายใจออกก็เป็นวิปัสนากรรมฐานเข้าออกเข้าออกจนเชี่ยวชาญเรียกว่าชานนั่นเองบัญญา ก, ก็คือญาณแปลว่าอย่างู้คนอยากได้ชานก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญตัวเอง นึกเห็นตัวเองพรุงแต่งให้เห็นเหตุหเห็นผลของตัวเองสติปัญญาก็เข้มแข็งละเอียดอ่อนฌานก็แปลว่าอย่างรู้เมื่อเรามีปัญญารู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็ความมัวหมองก็หมดไปในจิตใต้สำนึกสภาวะจิตก็เข้าสู่พมทันทีเลย เป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติมนุษย์ก็รู้ผิดถูกชัวดีถ้าไม่เป็นมนุษย์เราจะได้เป็นผู้มีจิตใจเจริญจะได้มารักษาศีลอย่างนี้คงทรมานใจอย่างที่สุดจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่สามารถที่จะไม่ล่วงรู้เบื่อนายหนีไปแล้ว คนใดที่ฟังทำไม่ได้ไม่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนบัวใต้น้ำอยู่ใต้โคนตมนรอความเน่าเหม็นผุตายไปในที่สุดไม่มีโอกาสที่จะโผล่พ้นน้ำพ้นดินได้ฉั้นใดเราไม่สามารถจะมีสติปัญญา ที่หลวงรู้ทำอันบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำให้เบื่อหน่ายลีกลีหลีกลหนีไปไม่ยินดีในความดีไม่ประกอบกรรมดีในสิ่งที่ดียอมยินดีความชั่วรักความดีไปทำความชั่วเสียดีกว่าหมุ ด, ดุดเหมือนบวใต้น้ำ ิบัตทั้งหลายเมื่อเราเชี่ยวชาญในเรื่องของสมถะแล้วก็วิปัสนาเมื่อเข้าวิปัสนากรรมฐานเราก็เข้ารึกเข้าไปเป็นมนุษย์สมบัติยิ้มย้มแจ่มใสเมื่อได้เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นเทพเทพก็มีพลังที่มีฤทธ กำมีฤทธิ์มีเดชที่เราปรารถนาอยากได้มีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ก็คือมีสติสติที่แข็งกล้าเหมือนเหล็กกล้าเป็นเครื่องป้องกันกิเลสสัตว์ดาวุธก็คือกิเลสความร่ำความหลงวิ่งตรงมาพุ่งทะลุกายก็ไม่ได้โล เราก็รู้กายเรากายเราก็ประกอบดินน้ำลงไปยึดมันถือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายไปพอมันปรุงแต่งเข้ามาในจิตจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือจิตใจต่้งนึกเราก็เอาสติมาคมุมกายคุมใจเราว่าโอ้โนอ เราอยู่ด้วยการปรุงแต่งคิดผิดเป็นถูกคิดถูกเป็นผิดพินิจพิจารณาหาเหตุผลเข้าตัวเข้าตนเข้าใจรึกเข้าไปโดยท่องแท้สติเกิดปัญญาเกิดรึกเข้าไปยิ้มเข้าไว้เราก็นึกถึงว่าจิตของเรานั้นเป็นเทวเป็นเทพ เทพก็คือหมายถึงมีกำลังที่แข็งแกร่งสามารถบทขยี้ศัตรูให้แหลกไปชั่วพิบตาเหมือนเรามีกองทัพที่ใหญ่กองทัพที่มีผู้คนมากมายมีกำลังมีสติปัญญามีศัตาวุธสามารถํหำหั่นศัตรูนั้นให้ร้งตายไป ที่มันมีริดกัเปรียบเสมือนขาราวานก็เป็นพวกแม่ทัพเป็นรัฐมนตรีสามารถสั่งการเป็นตำรวจทหารสามารถที่จะยึดบ้านื่นเมืองได้เรายึดสติมั่นคงได้ประกอบปัญญาอันมั่นคงบริสุทธิ์ได้เรียกว่าเทพ เมื่อเรามีเทพยึดได้คองได้คองสติได้รักษากายวาจาใจให้หลุดพ้นจากสัอาจวะกิเลสได้เรียกว่าศีลผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ที่คุณย่อมมีวาจาอันบริสุทธิ์จะพูดสิ่งใดก็พูดความจริง จะเห็นสิ่งใดก็พิจารณาหาเหตุผลให้รู้ตัวรู้ตนว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ที่แท้จริงสิ่งนี้ทำแล้วมันไม่แท้จริงมันจอมปลอมก็คือความสมมติปรุงแต่งเท่าทันในกิเลสสิ่งที่มองเห็นเรียกว่าตานอก เมื่อเข้าสภาวะเทวดาจิตเป็นเทพแล้วจิตก็เป็นเทวดาเทวดาจิตนึกสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นเหมือนเราแปลกใจไหมตั้งแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยบางทีนึกถึงเรื่องอาหารการกินว่าเราจะต้องอยู่ดีๆก็นึกอยากกินนั่นกินนี่ เห็นในตาในตาในก็คือจิตใจจำนึกก็คือใจเรานะั่นแหละนึกไปบางทีนั่งไปจมูกก็ได้กลิ่นอาหารทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลาทำอาหารเลยพอได้กลิ่นปุ๊บวันต่อไปเราก็ได้กินสิ่งที่เรา ได้กินอาหารเหมือนใจเรานึกว่าเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราหิวนอนอยากทานไอ้นั่นไอ้นี่แต่มันช่างแปลกประหลาดนึกวันนี้พรุ่งนี้ก็เออและเมื่อวานยังนึกอยู่เลยวันนี้ทำไมมันอย่างที่เรานึกเขาเรียกว่าสมใจนึก ที่เป็นเทวดาคิดสิ่งใดเนี่ยถ้าจิตเราบริสุทธิ์เท่าไหร่ความเป็นเทวดาก็นิมิตไหวเท่านั้นคนเราเลยจิตอยู่ในเทพติดมันติดว่ามีกำลังมีอำนาจมีบารามีที่เขาอยากได้กันแต่องค์สมมาสมุทธาจาว่า มีลาบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศคนที่เป็นแม่ทัพในกองเป็นเจ้าเมืองต่างๆเปรียบเสมือนสมบัติผัดกันชมเป็นเจ้าก็ต้องเสียชีวิต เป็นรัฐมนตรีนายกก็ฟองเสียชีวิตแก่ชะลาลงไปจะเป็นไม่ได้ถาวร อ, อธิบาลเมืองเราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็ช่วงจริงแย่งอำนาจกันอยากเป็นเทพเทพก็วุ่นวายเก่นฆ่ากันเห็นไหมเทพก็ไม่ไม่หลุดพ้นจากอาสาะกิเลส จิตเป็นเทวดาเทวดาก็ไม่หลุดพ้นจากความเป็นกิเลสก็อยากนั่นอยากนี่อยากรู้อยากเห็นนึกสิ่งใดก็อยากได้ทั้งนั้นแต่เทวดานี่ไม่ต้องแย่งชิงกันแค่นึกปรารถาก็ได้สมใจสมมติเทวดาเนี่ย จิตของเป็นเป็นเทวดาเราคงเริ่มเข้าใจแล้วมนุษย์สมบัติเทพสมบัติเทวดาสมบัติเลื่อนขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดจิตเป็นเทวดาเขาเรียกว่านึกแป๊บเดียวเองนึกถึงใครตัวเขามาไม่ได้เขาก็โทรโทรศัพท์ทันทีเลยอยู่ๆมันก็นึกถึงเรา เรียกว่าเราปฏิบัติจิตเป็นเทวดาแล้วบที่เรานึกเห็นหน้าใครแป๊บเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็แวะแงะมาหาเราเรานึกถึงใครเนี่ยถึงอะไรเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสเห็นรู้ไวเท่ากับจิตที่เราเนี่ยฝึกปรือมาจนเชี่ยวชาญสมมุติว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากรู้ อยากเห็นแต่มันไม่พ้นกิเลสนะใจยังไม่พ้นกิเลสก็ใช้จิตที่เป็นเทวดาเลยกำหนดแบบว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนั้นพุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่เราจะต้องเชี่ยวชาญเชี่ยวก็หมมยถึงฝึกปรือ อย่างเช่นนาฬิกาเราตั้งไว้ว่าเราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเต็มหนึ่งชั่วโมงเราก็ตั้งเข็มนาฬิกาไว้เลยจุดทูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตยกราบไหว้คุณของพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสง คุณของพระ อ, อริยสงฆ์อริยเจ้าคุณเหล่าทววเทพเทวดาผมเราก็ว่าไป16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็นึกของเราไปตามสภาพของจิตที่สามารถอธิษฐานได้ตั้งจิตเป็นเทพหลุดจากเทพก็ขึ้นมาเป็นเทวดาเราก็เริ่มนั่งเลยนั่งกำหนดนาฬิกา แต่เราอย่าไปต้องไปดูเวลานั่งมองเห็นตัวเองเนียภาวนาเหมือนพวกเราที่กำลังปฏิบัติขณะ น, นี้นั่งไปว่าเออเดี๋ยวเราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเต็มก็จะได้กวดน้ำแล้วไปบินทบาทหลวงพ่อก็นั่งไปเริ่มต้นเราก็ตั้งเป็นเทวดาเลย มีความยากก่อนแต่เราจะต้องฝึกหลายครั้งมากเขาเรียกว่าบำเพ็ญเพียรไงภาวนาให้เชี่ยวชาญในความรู้สึกสัมผัสความเป็นมนุษย์สมบัติเทพสมบัติแล้วก็มาเทวดาความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็นึกถึงความดีก็คือตัวสติปัญญานั่นเอง ความเป็นเทพก็คือใช้กำลังสติใช้กำลังกายของเราเนี่ยให้ชนะเหนือความปวดเมื่อยให้เหนือจากความฟุ้งซ่านจิตก็เป็นเทพแข็งแกร่งหลุดพ้นจากอาสวะของความเป็นมนุษย์ก็ไม่อยากเป็นมนุษย์และพิจ า, ารณาพิจารณามรณานุสติไป พิจารณาในกายในวาจาในใจของเราเนี่ ย, ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์ในเดช ท, ทั้งหลายวางใจยิ้ม้าไ้จิตใจก็อ่อนมีเมตตาเมื่อมีเมตตาเนี่ยความรักก็เกิดความปิติสุข เมื่อเกิดปิติสุขปุ๊เนี่ยทางกายก็รู้สึกว่าเย็นสบายเบาสบายเมื่อกายสบายใจก็สัมผัสรู้โอโ้เนอเย็นสบายเราก็คำว่าสบายเราก็ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้ความว่าสุขปิติสุขสุขทั้งกายและใจไม่มีเวทนาทุกเพราะเราชนะ ความเวทนาใจเวทนากายมาแล้วจิตเข้าสู่สภาวะเทวดาเลยนั่งไปก็แวบจิตมันแวบเหมือนจิตมันสร้างมโนภาพในการรอเห็นสีเห็นแสงทันทีรูดจากสีแสงได้รู้สึกสว่างสลับไปสลับมาเดี๋ยวสีนั้นสีนี้เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด เดี๋ยวโยกคอนไปร่างกายดูเหมือนสูงเหมือนต่ำหายใจเข้าลึกบางหายใจออกน้อยบางมันทำให้เราเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยสติมากปัญญาแข็งเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการที่เกิดขึ้นแสงสีเราก็ไม่ยึดติดความโยกคอนต่างๆ ในร่างกายที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นพอร่างกายเกิดไม่พอน้ำตาไหลออกมาบางคนก็มีน้ำมูกไหลออกมาบางคนเหมือนสันเหมือนปกพระอาการปิติมันเกิดขึ้นปิติในตัวตนๆมันเกิดขึ้นมันปรุงแต่งเอาเข้ามาอีกแล้ว เราไม่เคยสัมผัสได้เมื่อเรามีสติมีปรรัญญามั่นคงมากขึ้นมันก็รุดพ้นจากอาการปิติบางคนก็ยิม้มเหมือนก็จะรอยบางคนก็ขนลุกขนพ่องวูบวาบวูบวาบเมื่อเกิดอาการอย่างนี้เรามีสติปัญญาแล้วอะไรแบบนี้มันก็ยึดมันถือมั่นไม่ได้ ใจเราก็สู่สภาวะเย็นสบายจิตก็เป็นเทวดาก็นึกปุ๊บเห็นภาพมโนภาพภาพอันนี้เราก็ยึดไม่ได้เห็นนั่นเห็นนี่เหมือนเราแวบเข้าไปชัว่วปุบเราเหมือนเราเผลอหลับเข้าไปจิตเราก็ไม่ยึดติดว่ามันเห็นอะไรเนอเราก็เกิดเราขาดสติขึ้นมา เราก็พิจนารนาว่าไม่เห็นหนอไม่ยึดหนอไม่ติดใจหนอไม่เอามาฝังจิตฝังใจหนอเราก็เรียกสติไปเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะเทวดาหลุดพ้นจากแสงสีหลุดพ้นเหมือนเผลอหลับไปบ้างองค์ภาวนาเราก็ แผ่วเบาอ่อนลงอ่อนลงไปเหมือนเราหายใจติดติดขัดขันหายใจบ้างไม่หายใจบ้างรู้สึกความคิดเรเบลอไปเหมือนเราจะหายใจแล้วไม่ได้หายใจบ้างยานชาญก็เกิดขึ้นยานแปลว่าอย่างรู้ชาญแปลว่าชินต่ออารมณ์ก็ยึดยึดไม่ได้ถือไม่ได้ ทำจิตเข้าสู่สภาวะเป็นพมทันทีเลยผมก็รู้สึกปิติก็ผ่านไปแล้วนึกสิ่งใดก็ได้เห็นแล้วรู้แล้วเมื่อขึ้นเป็นเทพเจวดาพมพมก็คือมีเมตตามีพรมวิหารสีเกิดขึ้นจิตรู้สึกมีความเมตตาเย็นสบายยิ้มลึ ก, ลก เรียกว่าสุขลึกๆนั่นเองเกิดขึ้นมาเราไม่เคยมีความปิติสุขรึกซึ้งยิ้มไม่มีความโกรธใดๆทั้งสิน้นไม่มีความรังเกียจใดๆทั้งสิน้นเกิดความรักเกิดความเมตตาสงสารไม่ยินดียินล้ลยไม่มีความโรคความโกรธความหลงมันเกิดยิ้มล่างกายรู้สึก แข็งกระด้างลมหายใจจับเป็นหนึ่งเดียวจะหายใจก็เหมือนก็ไม่รับลุกจะยิ้มสุขเข้าไปลึกตัวแข็งเหมือนเหน็บชากินเข้าไปทั้งกายและใจอย่าไปสนใจมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ปิติสุขเมตตาเกิดความเมตตาอันยิ่งใหญ่ กว้างใหญ่ไพศาลมองเห็นก็เห็นไม่เห็นยึดไม่ได้เล ย, ยปิดติสุขอย่างล้นพ้นสุขก็ยึดไม่ได้ไม่รู้มันสุขไปทึงไหนใจเกิดความมีเมตตาไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีความรังเกียจเดียดฉันใดๆตทั้งสิน้นเมตตาการุณาเกิดความสงสาร เกิดเวทนาใจเกิดเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้โลกสันติอยากให้มีคนรักใครปองดองสามัคคีเริ่มแรกก็เริ่มอยากกับตัวเองก่อนมีเมตตาปิติสุขละเอียดอ่อนนึกซึ้งเข้าไปทุกทีรึกเข้าไปรึกเข้าไปก็คือละเอียดเข้าไป จิตเกิดรู้สึกเย็นชําเหมือนกับเย็นเหมือนกับน้ําแข็งที่มันเข้าไปในใจมันเย็นจนสทัทกสัทานไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าไม่อธิบายไม่ได้มันไม่สามารถอธิบายได้ความรึกความละเอียดจิตเหลือน้อยลงหายใจเป็นปกตินั่นแหละแต่ร่างกายกับจิต กับกายวิญญาณของเราเนี่ยเริ่มแยกส่วนแล้วเขาเรียกว่าถอดจิตแต่อย่าไปคิดถึงถอดจิตคำว่าถอดก็หมายถึงว่าจิตมันละกายไม่ใช่ค่เบอกว่าถอดจิตไปตรงนั้นตรงนี้เหาะเหิอเดินอากาศไปได้สภาวะนักปฏิบัติก็จะไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น ก็ละเอียดเห็นแสงขาวนิดลงนิดลงเหมือนเราดิ่งเข้าไปในทะเลเหมือนเราตกน้ำที่ลึกลงไปลึกลงไปดึกลงไปจนหน้าวิเวกวังเวงรู้สึกเราวังเวงเหมือนกับตัวก็หายไปใจก็หายไปมันหายว่างไปเหมือนกับไม่มีอะไรเลย จิตเข้าสภาวะอริยสงฆ์และดิ่งลงไปดิ่งลงไปเห็นแสงเล็กเท่าปเข็มเลยเราก็รู้สึกเกิดกลัวขึ้นมากลัวเราก็ยึดไม่ได้ดิ่งลึกเท่าไรเราก็ยึดไม่ได้วางเปล่าในจิตใต้สำนึกใช้สติพิจารณาหาเหตุผลไว ว่าโอ๋นอนี่มันเป็นธรรมดาแค่จิตเป็นธรรมดาเราไม่เคยสัมผัสอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราย่อมเราลังเลสงสัยความวิกิีกิจฉาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราจะไม่สงสัยเหตุที่เกิดขึ้นในจิตได้จานึกกับตัวตนของเราเพราะยึดไว้ไม่ได้พอเราชนะจิตที่ดิ่งลึกลงไป ค่อยใหญ่โตนั่นเองคำว่าดิ่งลงไปก็เราก็เลยหายใจเข้านั่นเองหายใจด้วยสติปัญญาของพระอริยสงฆ์สู่สภาวะอริยเจ้าเกิดขึ้นอริยสงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วหายใจก็มีปัญญาดิ่งไปมีความร่องรู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ เมื่อหายใจเข้าดิ่งหายใจก็คือดิ่งธรรมดานั่นแหละแต่เราไม่เคยเห็นจิตของเราเป็นเป็นธรรมดาก็เกิดความลังเลสงสยัยพอหายใจออกเท่านั้นเองตัวมันก็พองใหญ่ตัวมันแข็งใหญ่เหมือนโป่งที่มันเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นเบ่งขึ้น แต่ตามปกติเราก็หายใจเข้าออกธรรมดาแต่เราตัดกายวิญญาณออกกายก็คือตัวตนของเราจิตวิญญาณเพียงแค่รับรู้แต่ร่างกายเราเนี่ยทำงานเป็นปกติแต่ความรู้สึกเรานั้นไม่ปกติเพราะเราไม่เคยแยกจิตแยกกายเรียกว่าสมัถะ พร้อมวิปัสนาจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหายใจเข้าออกสมถะก็เกิดขึ้นรวมทั้งวิปัสนาก็คือปัญญาควบคุมสติรู้เท่าทันทั้งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เปลี่ยนแปลงเราก็รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็รู้ทันมันพอตัวใหญ่แต่เบงพองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น มันมีความรู้อึดอัดรู้สึกว่าเรานั้นเก่งแน่นไปหมดหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็ไม่ออกนักปฏิบัติทั้งหลายเราอย่าได้ยังเลสงสัยยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจจิตวิญญาณกายวิญญาณทำงานปกติแต่เราอย่าได้สงสัยปล่อยมัน เข้าสู่สภาวะอริยสงฆ์เลยเมื่อเข้าเป็นอริยสงฆ์ก็รู้เหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นยึดไม่ได้ถือมั่นไม่ได้พิจารณาด้วยความเวทนาทางกายเลยกายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ตัดเป็นมรนานุสติเข้าไปเอียดเข้าไปอีก ตัดเป็นมรณานุสติก็คือความตายตายจากความลังเลสงสัยเมื่อตัดความตายลังเลสงสัยอาการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เข้าสู่สภาวะเสื่อมสลายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยเหตุที่เกิดขึ้นเข้าสู่สภาวะอริยสง์เลยเมื่ออริยสงเนี่ยมีความยานแปลว่าอย่างรู้ก็คือมีปัญญา ฌานแปลว่าเชี่ยวชานในการควบคุมสติควบคุมสภาวะจิตสภาวะกายเกิดขึ้นด้วยความสมมุติเขาเรียกว่าสมมุติสิสงความเป็นอริยสงฆ์ก็เกิดขึ้นเป็นสุปฏิปันโนเลยสุปฏิปันโนคือประกอบกรรมดีประพฤติดีปฏิบัติชัวเข้าวสวากขาโตเป็นอริยสงฆ์ อริยสงฆ์คือว่างเปล่าว่างร่างกายก็ไม่มีมีสติมีความรู้จิตสัมผัสรู้อย่างเดียวกายและใจรวมกันเป็นหนึ่งมุ่งตรงไปมรณานุสติที่เขาบำเพ็ญเป่งวาจาว่านิพพานสุขังนิพพานนสุขังดับไม่มีเชื้อ จิตเข้าสู่สภาวะดับเย็นร้อนหนาวเราไม่รู้เฉยอุเบกขาหลุดพ้นจากความเป็นพรมมาแล้วนี่วางเฉยใจก็ไม่อิจฉาฤิิยาเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาวางเฉยจิตใจไม่อิจฉาไม่ลังเลสงสัยดิ่งลงไปลึกลงไปเอาระค่อยๆถ อ, อนสมาธิ เพื่อจะได้ตรวดน้ำสืบต่อไป